ー ก็จะเป็นวันออกพรรษาหลายคนก็ใจจดใจจ่อรอให้มันออกพรรษามาถึงวัยวัยิ่งตอนที่มาประชิดนะอีกไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงนะก็วันออกพรรษาหลายคนก็ จ, จะปล่อยใจลอยนะหรือว่าก็ดีใจว่าใกล้มาถึงแล้วนะพอดีใจแล้วก็เลยย่อหย่อนในการ ทำความเพียรย่อหย่อนในการปฏิบัติอันนี้ต้องวางใจให้ถูกนะยิ่งใกล้จะถึงวันออกบรรษานี่ก็ยิ่งควรจะทําความเพียร น, นะเพราะว่าออกบรรษาแล้วก็อาจจะต้องสืงหาลาเพศไปหรือว่าต้องกลับสู่เย้าเรือนกลับสู่ชีวิต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 ให้มากขึ้นโดยซ้ำในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะตอนที่พระเจ้าได้ทรงปรงวรชนมายุสังขารเนี่ยหลังจากภรรษาแล้วเนี่ยก็มีพระภิกษุทสงจำนวนมากเลยนะที่ตกใจแล้วก็เสียใจทำใจได้ยากก็ทำอะไรไม่ถูกเลยส่วนใหญ่ก็นั่งจับกลุ่มทำนองปรับทุกข์กันนะ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 ออกไปทาความเพียงปฏิบัติไม่ได้ไปจับกลุ่มปรึกษาหารือหรือว่าปรับทุกข์กันพารุปอื่นเนี่ยทราบเข้าก็ไม่พอใจหาว่าพารุปนี้เนี่ยไม่จงรักภักดีต่อพระพุทธพระพูทมีพระพักเจ้าก็เลยไปทูลฟ้องนะพระองค์พระองค์ก็เลย เ, เรียกตัวมาถาม พระรูปนั้นก็ให้เหตุผลนะพอได้ฟังพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอนุโมทนาสาธุนะัสสารเสริญพระรูปนี้แล้วก็แนะนําให้พระทั้งหลายเนี่ยนับเอาพาระรูปนี้เป็นแบบอย่างนะทําไม่ได้อา่าไม่ใช่ว่าไม่จงรักภักดีนะต่อพระพุทธเจ้าจริงริงยิ่งกว่าจงรักภักดีอีกนะเพราะว่าต้องการ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 มันก็จะหาข้ออ้างนะกิเลสบอกว่าเราตอนนี้เรากําลังเศร้าอยู่นะอย่าพึ่งตื่นเช้าลุกขึ้นมาออกกําลังกายเลยแล้วนอนต่อเถอะนะเด็กบางคนก็อาจจะกําลังเตรียมสอบนะไอ้การที่จะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับเด็กบางคนนะขนาดรุ่นให้ตัวเองอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะกิเลสมก็จะหาข้ออ้าง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 ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลนะงานรื่นเริงอย่างเช่นปีใหม่เออปีใหม่แล้วนะนานๆจะมาทีนะนานๆจะเกิดขึ้นสักทีนะใครๆก็กระลองกันเราจะมาปฏิบัติทําไมนะหรือว่าให้รงงางวัลตัวเองสักหน่อยนะวันปีใหม่ก็มาถึงแล้วแทนที่จะลุกขึ้นมาออกกําลังกายวิ่งจอง็อกกิ้งอ่าวเราพักสักหน่อยเพอเพื่มันอยู่ให้เราออกให้เราให้รงงางวัลตัวเองด้วยการไป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 เกิดเหตุวุ่นวายในบ้านเมืองก็แล้วแต่มันก็จะหายเหตุว่ากิเลสเนี่ยไม่ว่าเราอย่าพึ่งปฏิบัติเลยนะเราอย่าพึ่งอลุกขึ้นออกกำลังกายเลยหรือว่าเราตอนนี้หยุดพักการอ่านหนังสือไว้ชั่วคราวมันจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าไม่ว่าจะจะมีเหตุร้ายหรือเหตุ ด, ดีก็ตามมันฉลาดมากในการช่วยโอกาส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 กิเลสมันก็เลยมีข้ออ้างว่าเอ้ยวันนี้เรานะไม่ได้อาหารบินธบารเลยนะก็ควรจะพักก่อนนะอย่าทำความเพียรเลยนะมันจะเหนื่อยนะจะเป็นจะเป็นทุกข์เปล่าเปล่าในทางตรงข้ามพรเจ้าตัดว่าเนี่ยถ้าไม่ได้บินธบาทนะไม่ได้อาหารมาให้มองว่าดีเหมือนกันนะกายเราจะได้โปร่งเบานะเหมาะกับการทำความเพียรนะต้องรีบทำก็ไปใหญ่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 ที่มันจะเฉวยโอกาสทุกอย่างนะแล้วมันก็จะผลิตเหตุผลสรรหาเหตุผลที่สวยรู้มาเพื่อล่อให้เราหลงน ะ, ะยิ่งมีความเศร้าความโศกยิ่งต้องทำความเพียร น, นะเพราะถือว่านะหน้าที่ของเราก็ต้องรักษาใจให้เป็นปกติมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายนะเป็นการบ้านชิ้นใหญ่นะ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 ไอ้ตัวหลงนี่มันก็ยิดครองชีวิตเราเนี่ยมากกว่ามากกว่าตัวรู้สึกนะวันวันหนึ่งเนี่ยเราปล่อยใจให้อหัวความหลงเนี่ยเรียกว่าแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซลยได้ซ้ำมากขนาดนั้นเชิญ น, นะก็ เ, เคยมีการศึกษานะวิจัยคนที่ทำงานนะในบริษัทนะในสานักงานต่างๆเนี่ย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 แม้แต่พวกเราซึ่งอยู่วัดเนี่ยนะถ้าไม่ระวังตัวมก็8ปสิเปอร์เซนก็หมดไปความหลงนะเดี๋ยวว่าแต่การใช้ชีวิตตามปกติเลยแม้แต่เวลาเราเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยไอ้รู้ตัวจริงเนี่ยไม่รู้ถึงสิบเปอร์เซนตเปล่า9กสิเอร์ซนตเนี่ยมันอยู่ความหลงใจลอยไม่รู้ไปไหนนี่ขนาดปฏิบัตินะนะถ้าไม่ปฏิบัตินี่มันจะยิ่งตลดิดเปิดเปิงไป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 แล้วก็ค้อบงาำจิตใจของเราก็ไม่ปฏิเสธไม่ผักใส่นะแต่ว่าไม่ชวยโอกาสให้กิเลสเนี่ยมันมาใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะครอบงาำจิตใจก็ปล่อยให้เราจมอยู่กับความความความทุกข์ความหลงตัวลืมตนนะตั้งสติให้ดีเ อ, อ่อนะอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจก็รู้ทันนะความคิดใดเกิดขึ้น